มีใครอยากจะถามอะไรรล่วครับถ้าอยากบรรลุธรรมงี้จจนะครับเราต้อ ง, ต, องต้องอยู่ในครับ่น่าการบรรลุธรรมก็คือการการการมีมีดวงตาเห็นธรรมการจะมีดวงตาเห็นธรรมมันต้องใจสงบใจต้องสงบ ใจจะสงบก็ต้องมีที่สงบถ้าที่ไม่สงบใจมันก็ไม่สงบคนที่อยากจะเห็นธรรมเขาถึงมากจะไปอยู่ในป่ากันอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มันจะมาปิดบงังธรรมทำให้มองไม่เห็นธรรมกันดังนั้นถ้าอยากจะบรรลุธรรมอยากจะเห็นธรรม ก็ต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรนแล้วไปทำใจให้สงบถ้าใจอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสมันจะสงบยากเดี๋ยวมันได้ยินเสียงมันก็อยากจะไปฟังเห็นผ้าก็อยากจะไปดูได้กลิ่นก็อยากจะไปดมมันก็จะทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้พอใจไม่สงบมันก็จะไม่เห็นธรรมไม่ ไม่เห็นธรรมก็ไม่บรรลุธรรมแต่บางคนถ้าสามารถอยู่ในที่ที่เขาเก็บตัวเขาเองได้เช่นอยู่ในบ้านคนเดียวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรัดก็สามารถทําใจให้สงบได้ก็สามารถเห็นธรรมได้บรรลุธรรมได้ ถ้าอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้เสียงได้กลิ่นใกล้รถนี่เดี๋ยวเห็นเขากินข้าวก็อยากจะกินกับเานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ถ้ากินข้าวแล้วก็มากินอิ่มแล้วก็ง่วงนอนก็อยากจะนอนนั่งสมาธิก็จะหลับไม่สงบงน้นมันจะมีอุปสรรคคอยขัดขวางการทำใจให้สงบ เดี๋ยวก็ก็เปิดทีวีดูเดี๋ยวก็ก็ร้องนําทําเพลงกินเลี้ยงกันเราจะมานั่งพุโทโธพุทโธมันก็นั่งไม่ไหวใจมันก็ไปคิดถึงเสียงที่เขาก็กำลังเล่นกันน้องลําทําเพลงกันขนาดไปอยู่ในป่านี่ยังมีปัญหาเลยอย่างหลวงตาท่านเคยเล่าว่าท่านก็ไปทุดดอนไปอยู่ในป่า แต่ก็มันก็ต้องอยู่ในป่าที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเพราะต้องบินบินเท่าไหร่าว่าบางบางคืนเ็าก็มีร้องลำมทำเพลงกันเสียงมันก็ไปถึงที่ท่านภาวนาท่านนั่งภาวนาไปแต่ใจก็อยากจะไปร้องลำมทำเพลงกับเขาท่านก็หักห้ามใจว่าท่านมานี่มาเพื่อที่จะมาหาธรรมไม่ได้มาหาความสุขจากการร้องลำมทำเพลง ถ้าอยากจะร้องลําทำเพลงก็ไม่ต้องมาบวชให้เสียเวลา mm hmm. ก็จะได้ความสุขแต่ไม่ได้ทําได้ความสุขที่กลายเป็นความทุกเวลาที่ไม่สามารถที่จะร้องลําทําเพลงได้ mm hmm. เวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายนีมันจะทุกข์มากเพราะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากการร้องลําทําเพลงอะไรต่างๆได้ mm hmm. แต่ถ้ามีใจที่สงบ ใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีลูกเสียงกลิ่นรสมามาเสพแล้วใจก็จะเห็นว่าความทุกข์ต่างๆของใจเกิดจากความอยากจะเสพลูกเสียงกลิ่นรสนี่เองพอตัดความอยากได้ความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดอันนี้ก็เรียกว่าบรรลุธรรมเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์นี่เกิดจากความอยากของเราเอง แล้วก็การดับความทุกข์ก็คือการทำใจให้สงบการทำใจให้ฉลาดให้รู้ว่าการไปทาตามความอยากต่างๆเป็นการไปสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปสร้างความสุขถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นเห็นเพราะว่าเวลาอยากมันจะทุกข์เวลาใช้ปัญญาหยุดวามอยากให้มันจะสงบมันจะมีความสุข มันก็บรรลุธรรมเห็นอริยาาสัจสีการที่จะเห็นการที่บรรลุธรรมนี่ก็คือการเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราและเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราก็หยุดมันเพราะการทำตามความอยากไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่สัทถาวร ความสุขต่างๆที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขชั่วคราวประเดียวประเดาวเวลาได้ดูได้ดื่มได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุขพอดื่มเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดความอยากดื่มอยากรับประทานขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็ทุกข์อันนี้ก็ จะเห็นธรรมแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมก็คือดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ที่เกิดจากความอยากด้วยการไม่ทำตามความอยากอยากได้อะไรก็ไม่เอาอยากให้คนนั่นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่อยากปล่อยให้เขาเป็นไปใครอยากจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาใครอยากจะดา่าเขาก็ปล่อยให้เขาด่าไปใครอยากจะชมก็ปล่อยให้เขาชมไป เขาอยากจะกันแก้งก็ปล่อยเขากันแก้งไปขขาอยากจะตีก็ปล่อยเขาตีไปถ้าหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมก็แล้วกันไม่ใช่ก็เดี๋วก็ต้องตายคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับอะไรกายจะเอาอะไรไปก็เอาไปเอาไปได้ก็เอาไป ตอนนี้ถ้าเกิดขโมยขึ้นบ้านเราก็ทำอะไรไม่ได้มันจะขโมยเข้าของไปด้วยตอนนี้ไฟกำลังไหม้บ้านก็ทำอะไรไม่ได้ไหม้ก็ปล่อยมันไหม้ไปตอนนี้ถ้าจะถูกก็มายิงตายก็ห้ามก็ไม่ได้ก็ต้องตายตายก็ตายไปถ้าไม่มีความอยาก้วมันจะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากไม่ตายมันจะไม่ทุกข์ถ้าจะไม่มีความอยากให้ขโมยขึ้นบ้านมันจะไม่ทุกข์ ถ้าจะไม่มีความถ้าไม่มีความอยากให้ไฟไหม้บ้านมันก็จะไม่ทุกข์ไหม้ก็ไหม้ไปห้ามมันได้ไหรือเปล่าห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจได้ห้ามความอยากห้ามความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้เราก็อยู่เหนือความทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่สามารถทําให้เราทุกข์ได้ แค่จะดา่าเรายังไงเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้เขาดา่าเราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาดา่านั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาดา่าเขาดา่าก็ด่าไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรปากของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ก็เหมือนฝดเหมือนฝ้าร้องเนี่ยฝ้าร้องเราก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ปล่อยมันร้องไปถึงฟ้าร้องมันดังกัาเสียงคนดา่าต้องหลายเท่าเรายังทนได้ กับเสียงด่าเบาๆกับทนไม่ได้ทนไม่ได้เพราะไม่อยากให้เขาด่านั่นเองถ้ายอมไม่เขาด่าแล้วเขาดา่าจนปากเปียกปากฉีกเด้กก็ห <c oughs> ยุดเองทําใจให้ไม่มีความอยากแล้วจะสบายออย่าไปอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากมีอยากเป็นอยากให้ สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เขาจะพูดอย่างไงก็เรื่องของเขาก็จะด่าพว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือทําใจเราอย่าให้ไปเดือดร้อนกับการกระทําของคนอื่นนั่นเองเราชาบเป็นเดือดร้อนกับการกระทําของคนอื่นเพราะความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็เดือดร้อน แล้วดีไม่ดีก็ไปก่อเวรก่อกรรมกันไปด่าเขาไปว่าเขาไปทุบตีเขาเพื่อให้เขาทาตามที่เราต้องการให้เขาทำนี่ก็ยาการที่อยากจะบรรลุธรรมนี่ต้องทําใจให้สงบให้ได้ก่อนถ้าใจไม่สงบแล้วมันจะไม่เห็นธรรมใจเวลาไม่สงบมันคุณ เวลาเวลาสงบแล้วมันใสเหมือนน้ำน้ำขุนนี่จะมองไม่เห็นตัวปลาแต่พอเราทำน้ำไม่ใสแล้วนี่ตัวที่มีปลาอยู่ในน้ำมันก็จะเห็นเห็นก็จับปลาได้ใจไม่สงบนี่มองไม่เห็นทุกไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่เห็นวิธีการดับทุกข์แต่พอใจสงบใจจะใสใจะเห็นทุก เห็นตัวที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วเห็นจะเห็นตัวที่จะมาหยุดความทุกข์เนีมันก็จะสามารถทำให้ใจไม่ทุกข์กับอะไรได้ไม่ทุกขวกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับลาบยศสรรเสริญสุขจะเจริญหรือจะเสื่อมก็ไม่ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากในลาบยศสรรเสริญสุข ถ้าอยากแล้วมันก็จะทุกข์เวลาที่ราบยศสารเสริญสุขมันเสื่อมไปถ้าไม่มีความอยากได้ราบยศสารเสริญสุขมันก็จะไม่ทุกข์เวลาราบยศสารเสริญสุขเสื่อมไปอันนี้ใจของเรามันไม่สงบมันจึงไม่เห็นว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองกลับไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ เขาทาไม่ดีเขาพูดไม่ดีเขากั่นแก้งเราเขาหิดฉาลิษยาเราเขาโหดร้ายทารุณกับเราแต่ความจริงมันไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วเขาเป็นเพียงแต่ตัวจุดชนวนตัวที่เป็นลูกระเบิดมันอยู่ในใจเราใจเราเนี่ยเป็นเป็นลูกระเบิด เองแต่ราให้คนอื่นก็มาจุดชนวนให้เพาเขาพูดไม่ดีหน่อยก็ทุกข์ละระเบิดขึ้นมาแล้วเขาเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราหน่อยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเราอยากให้เขาทำอะไรเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธแล้วทุกข์แล้วความโกรธก็คือความทุกข์แต่ถ้าเราเ เอาลูกระเบิดออกไปได้เอาความอยากออกไปได้ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่ไม่ทุกข์กับอะไรใครจะทำอะไรใจก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีความอยากที่จะให้เขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้คนที่เราไม่รู้จักนี่เขาทำอะไรเราไม่ค่อยทุกข์กับเขาเท่าไหร่แต่คนที่เรารู้จักโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเราเนี่เช่นแฟนเราเนี่ทุกข์กับทุกข์กับแฟนเราเนี่แหละ อยาให้เขาทำอย่างนั้นอยาให้เขาทำอย่างนี้อย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าให้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พอไม่ทำตามใจอยากก็ทุกข์กับเขาแล้วแล้วก็ไปว่าเขาไปบ่นกับเขาไปสร้างความลำคานให้กับเขาเขาก็ยิ่งเขาก็ยิ่งเบื่อเราใหญ่แทนที่เขาจะรักเราเขากลับเบื่อเราขึ้นมาพอเขาเบื่อเราเราก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ เพรเราอยากให้เขารักเราเราไม่อยากให้เขเบื่อเราแต่วิธีการของเราเราไปทําให้เขาเบื่อเพราะเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทําความไม่สบายใจของเราต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็มาหยุดความอยากนี่ก็ปล่อยก็เขาเป็น ตัวของเขาเราไปบังคับเขาได้ไหมตัวเราเรายังไม่อยากให้ใครมาบังคับเราเลยแล้วเราจะไปบังคับคนอื่นให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นงี้ได้เขาจะเป็นไงเขาปล่อยก็เป็นไปเลยเขาจะไปก็ให้เขาไปเขาจะอยู่ก็ให้เขาอยู่เมื่อเราไม่ไปกดดันเขาไม่ไปสร้างความลำคาญใจให้กับเขาเขาก็เขาก็ดีกับเราเขาก็ชอบเราเขาก็รักเราเอง ที่เขาเบื่อเราแล้เขาไม่ชอบเราก็เพราะเราชอบไปวุ่นวายกับเขาชอบไปเจ้ากี้เจ้า ก, าการกับชีวิตของเขาอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นี่แหละปัญหาของมนุษย์เราที่อยู่ด้วยกันแล้วมีเรื่องมีราวกันก็เพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยกลายเป็นการสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่ ถ้าสร้างแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาถ้าหยุดความอยากที่จะไปยุ่งกับคนอื่นยหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เราก็ปล่อยเข า, เ, าเขาก็อยู่เขาเป็นอิสระเขาก็ไม่มายุ่งกับเราเขาก็ไม่โกอดเกลียดเราเขาก็ไม่รำคาญเราไม่เบื่อหน่ายเราแต่ถ้าแต่ถ้าเราไปคอยมุ่นกับเขา ไปยุ่งกับเขาไปเจ้ากี่เจ้าการกับชีวิตของเขาเขาก็เบื่อล้วถ้าเป็นเราเราเขาเบื่อมอนการน้านะใครมาวุ่นวายกับเรามาจู้จี้จุกจิกมาอะไรกับเราแต่ความอยากมันอยากให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการมันเลยทำให้เราเครียดเราทุกข์เราเลยต้องไป พูดไปว่าเขาเพื่อให้เขาทำตามอยากของเราแทนที่เขาจะรักเราเขาก็เลยกลับเบื่อเราแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราเขาก็ทำหน้าที่ของเขาบกพร่องบ้างคนเรามันไม่มีอะไรดีเต็มร้อย ต, ตลอดเวลาหราอกบางเวลามันก็บกพร่องบ้างก็อย่าไปถือสากัน ก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่มาคอยจ้องจับผิดกันคอยว่ากันมาเอาอกเอาใจกันดีกว่าอยู่ด้วยกันต้องเอาอกเอาใจกันแล้วใจจะต่างฝ่ายต่า ง, งจะมีความสุขกันถ้าเอาเอาใจไม่ได้ก็ปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเอาใจเขาแล้วเขาไม่พอใจก็ไม่ต้องเอาใจปล่อยเขาปล่อยเขา เขาไม่ชอบให้เราเอาใจเขาไม่ต้องเอาใจป่อยเขาเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปอย่างมากก็แค่แยกทางกันแค่นี้มันก็จบถ้ามันจะแยกทางกันจะทำไงมันก็ห้ามไม่อยู่แต่อย่างน้อยเราไม่ทุกข์แล้แยกก็แยกไปไปก็ไปเมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ เราไม่ได้เกิดมากับเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแผดสยามทำไมเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันไปไม่มีเขาก็หาใหม่ได้คนให้มีคนสองคนในโลกนี้เลยเดี๋ยวก็ได้ใหม่อาจจะได้ดีกว่าเก่าก็ได้หรือถ้าถ้าขิดแล้วก็อยู่คนเดียวดีกว่า มาทําใจให้สงบดีกว่าหยุดความอยากแล้วใจก็จะสงบมีความสุขไม่ต้องมีอะไรถ้าใจสงบแล้วก็ไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องการอะไรอยู่คนเดียวเฉยๆก็มีความสุขสุขกว่าการมีคนนั้นคนนี้มีสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้มีแล้วก็ต้องไปวุ่นกับเขาเพราะเขามันชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี อันมาหัดทำใจให้สงบกันแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไปเพราเวลาใจสงบแล้วเวลาเกิดความทุกข์มันจะเห็นชัดเลยเหมือนกับน้ําที่มันนิ่งเวลาปลามันผุดขึ้นมานี้มันจะทําให้น้ํากระเพื่อมเลยเวลาจิตสงบนี้เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจจะกระเพื่อมขึ้นมาเลยจะรู้เลยว่าออตัวนี้เองที่ทําให้ใจกระเพื่อมทําให้ใจไม่สงบทําให้ใจ หงุดหงิดดำคาใจอะไรต่างๆเกิดจากความอยากเท่านั้นเองแล้วเราก็ใช้ปัญญาหรือใช้สติหยุดมันใช้สติก็พุทโธพุทโธไปสองสามคำมันก็หยุดแล้วหรือถ้าใช้ปัญญาก็สอนว่าไม่ต้องไปทําตามความอยากทําแล้วก็ไม่ได้สุขหรอกสุขก็เดียวสุขแล้วเดียเด๋ยวก็ต้องทุกข์ าสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปจากไปเป็นความสุขชั่วคราวเอาความสุขถาวรดีกว่าความสุขถาวรก็คือความสงบนี่เอาความสุขที่เกิดจากความสงบรักษาความสงบของใจด้วยการหยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากใจก็ไม่กระเพื่อมใจก็นิ่งสงบเหมือนเดิม จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีความสงบก่อนจิตต้องเข้าข้างในตอนนี้จิตไม่เคยดูจิตเลยดูแต่ข้างนอกดูแต่คนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ไปเกิดไปเก็บเป็นคู่กรณีกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไปไปวุ่นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปวุ่นกับคนนั้นคนนี้แล้วแทนที่จะสงบกลับวุ่นวายมากขึ้นกลับทุกข์มากขึ้น จึงต้องไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากคนจากแสงสีเสียงจากอะไรต่างๆเพื่อจะดึงใจให้เข้าข้างในใช้พุโทโธดึงเข้าไปพุโทโธพุธโทโธความอยากมันจะดันออกมาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันจะคอยดันให้เราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราใช้พุโทโธก็เท่ากับดึงมันเข้าไปข้างในให้มันหยุดคิด พอมันหยุดคิดก็มันก็เข้าข้างในพอมันคิดมันก็ออกข้างนอกพอมันหยุดคิดใจก็สงบเย็นสบายมีความสุขรู้แล้วว่าเออความสุขอยู่ที่ความสงบนี่เองไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันวุ่นวายให้ความวุ่นวายมากกว่าให้ความสุขความสุขก็ได้เดียวเดียวแล้วก็ต้องไปวุ่นวายกับเขา สิ่งที่พวกเราควรที่จะมาหัดทำกันก็คือทำใจให้สงบทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขแล้วก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะยังมีความสุขได้ถ้าต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาร่างกายไม่สบายก็หาม หาความสุขไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาแก่เวลาตายก็เป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจเพราะไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้แต่ถ้าทำใจให้สงบได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนอันนี้แหละเป็น ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราถึงต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายไปเสพมันตอนนี้เราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดถ้าอยู่ใกล้แล้วมันอดไม่ได้จึงต้องไปอยู่ที่ไกลๆคนที่อยากจะเลิกสุราเลิกยาเสพติดไปอยู่ในป่าที่ไปอยู่ในที่ไม่มียาเสพติด ถ้ามันทนอยู่ได้เดียวพอมันหายอยากมันก็สบายแล้วพอมันไม่ได้เสพไปสักพักนี้มันก็หายอยากอที่มันอยู่ไม่ได้ถ้าจะให้มันอยู่ได้ต้องมีพุทธโธคอยดึงไว้คนที่อยากจะเลิกยาเสพติดเลิกบุหรี่เลิกสุราเลิกรูปเสียงกลิ่นรสนี้ต้องมีสติคอยดึงใจไว้ไม่ปล่อยให้มันวิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปหายาเสพติดต่างๆสิ่งเสพติดต่างๆ แล้วพอความอยากมันหมดกำลังมันกม็มันก็หายอยากมันก็หายจากการเสพมันก็หายจากการติดยาติดอะไรต่างๆถ้าไม่ออกมามันก็ติดมันก็อยู่ใกล้กันเดี๋ยวก็เปิดทีวีดูเดี๋ยวก็เปิดตู้เย็นดูมีอะไรกินมีอะไรดื่มกินไปดื่มไปร่างกายก็อ้วนไปพองไป เดี๋ยวโยครคภัยไข้เจ็บก็มาหาโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่างๆที่เกิดจากการกินเนี่ยนะกินมากเกินไปแล้วพอเจ็บไข้ได้เปื่อยก็ทุกข์ทรมานใจแล้วพอรู้ว่าจะต้องตายก็ยิ่งทุกข์ทรมานใจใหญ่แต่ถ้าทำใจใสงบได้เราจะไม่ทุกข์ ร่างกายจะเจ็บก็รักษาไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ทำยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ามันไม่อยู่มันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปแต่ใจไม่ทุกข์กับมันใจมีความสุขจากความสงบทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบเป็นแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรก็ยังสามารถรักษาความสงบได้ ร่างกายแก่ก็ยังทาใจให้สงบได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำให้สงบได้ร่างกายจะตายก็ทำให้สงบได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่คือประโยชน์จากการที่เราไปอยู่คนเดียวไปทำใจให้สงบอยู่คนเดียวมันจะสงบง่ายกว่าอยู่กับคนหลายๆคนอยู่กับบ้านอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสนี่มัน เหมือนกับมีขวากหนามเยอะจะเดินไปทางนั้นก็ชนเดินทางนี้ก็ชนเจอแต่ขวากเดอแต่น้ำแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีขวากนาำเดินเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวคนนั้นก็เปิดใั้นั่นฟังเดี๋ยวคนนั้นก็เปิดอห้นั่นดูเดี๋ยวคนนั้นก็ร้องรำทำเพลงคุยกันคนนั้นก็ ก, นนนกินนู่นกินนี่เดิมนั่นเดิมนี่ เราก็จะไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะมาพุทโธเห็นแล้วก็อยากตามเข้าไปก็จะไม่มีทางที่จะทําใจให้สงบได้แต่ถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีอะไร ม, มีแต่ข้าวมือ้อนึงพอแล้วแล้วก็มีน้ําเปล่าเหมือนภาพทุดงนี่ท่านไปท่านก็ไปหาท่านก็มีเท่า น, นี้แหละไปไปอยู่ทุดงในป่านี่ท่านก็บินบาบ ผลเดียวเช้าก็เข้าบ้านเป็นธ บ, บได้อะไรมาก็ฉันฉันเสร็จก็มีน้ำเปล่าไว้ดื่มถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าถ้าหิวข้าวก็ต้องรอวันนุ่งขึ้นเอาแค่มื้อเดียวพอแล้วก็เวลามาควบคุมใจพุทธโธพุทธโธดึงใจอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอย่าให้ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ พอมันไม่คิดแล้วมันก็สงบเยน็นสบายมีความสุขถ้าไปอยู่คนเดียวแล้วมันง่ายถ้าอยู่กันอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองนี่มันยากนอกจากเราต้องขังตัวเองเราอยู่ในห้องคนเดียวอยู่ในบ้านคนเดียวอย่างนี้ก็ยังพอจะทำได้อยู่ แต่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับการงานแล้วก็อย่าไปหวังเลยเรื่องการที่จะทําทใจให้สงบนี่เป็นไปไม่ได้มีอะไรกไหมพ่อครับคาว่าตายก่อนตายนี่หมายความว่าไครับก็ให้รู้ว่าร่างกายต้องตายแล้วก็ อยู่แบบคนตายไงอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายที่เราังไม่ตาย อ, าอย่าไปใช้ร่างกายหาความสุขมาใช้ความสงบนั่งสมาธิาใช้ธรรมะหาความสุขจากธรรมะแทนที่จะใช้ร่างกายถือ ส, สมมติว่าร่างกายที่มันอยู่ตอนนี้มันตายไปแล้วถึงนม้นมันยังไม่ตายเราก็ถือว่ามันตายไปแล้ว เราไม่ใช่มันแล้วใช้มันไม่ได้แล้วเมือเวลามันตายเราใช้มันไม่ได้แล้วที่เราต้องมาทำทำใจให้อยู่กับอยู่กับมันแบบมันตายแล้วเราไม่ต้องพึ่งมันเนี่ยถ้าเราไม่พึ่งมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลามันเป็นอะไรเราก็จะไม่กลัวซึ่งคนใช้เนี่ยถ้าเรามีคนใช้เวลาเขาอยู่เขารับใช้เราเราก็สบาย ให้เขาทําซักผ้าทํากับข้าวเช็ดบ้านถูบ้านแต่พอเขาไม่สบายหรือเขาขอลากลับบ้านเราจะเดือดร้อนเพราะเราทําเองเราไม่อยากจะทําเองแต่ถ้าเราหัดทําเองใช่ตั้งตั้งแต่ตอนที่ก็ยังไม่ไปเวลาเขาถ้าเราทําเป็นแล้วเราทําได้แล้ว เวลาเขาจะยเขาจะไปบ้านเราก็ไม่เดือดร้อนเขาลากลับบ้านเราก็ไม่เดือดร้อนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราทำเองได้เอย่าไปพึ่งร่างกายคาว่าตายก่อนตายก็คือเลิกพึ่งร่างกายให้ถือว่าร่างกายนี้ตายไปแล้วอย่าไปใช้มันพาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อย่าไปใช้มันพาไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่าง หรือไปทําอะไรต่างๆตามความอยากเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากการใช้ร่างกายมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วก็หมดไปไปเที่ยวไปไปเที่ยวมากลับมาบ้านความสุขก็หมดไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปเที่ยวใหม่ไปหาความสุขไปเติมความสุขใหม่ที่มันต้องมีสักวันหนึ่งที่ไม่สามารถจะใช้ร่างกายได้ตอนนั้นมันก็จะทุกข์ใจ ถ้าเราไม่ใช้มันมันเราก็ไม่เดือดร้อนมันเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเรายังมีความสุขได้จากการทำใจของเราให้สงบจากการถอนความอยากออกจากใจของเราความอยากนี่มันเป็นเหมือนน้ำน้าที่มันที่มันเสียบฝ่าเท้าเราเนี่ยเวลาเราไปเหยียบน้ำเนี่ยถ้ามันฝังอยู่ในเท้าแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะเจ็บ แต่ถ้าเราถอนมันออกไปได้แล้วมันก็จะหายเจ็บแต่เวลาถอนมันก็ต้องเจ็บเวลาถอนความอยากนี่มันเจ็บมันทรมานเวลาอยากแล้วไม่ไม่ทตามความอยากนี่มันทรมานแต่ถ้าเรามีความมีสมาธิมีสติคอยทำใจให้สงบมันก็จะไม่ทรมานมากเหมือนกับฉีดยาชาเวลาถ้าจะ ถอนฟันนี่ถ้าไม่ฉีดยาชานี่ถอนมันมันจะเจ็บมากแต่ถ้าฉีดยาชาเข้าไปแล้วมันจะไม่เจ็บนะการจะถอดถอนความอยากได่นงช่างเราจึงต้องฉีดยาชาให้กับใจก่อนยาชาของใจก็คือความสงบนะพอเรามีความสงบแล้วเวลาอยากอะไรเราเราก็ไม่ทำตามความอยากมันก็จะไม่ทรมานใจแต่ถ้าไม่มีความ สงบนี้เวลาอยากอะไรแล้วสู้มันไม่ไหวถอนไม่ได้ถอนแล้วมันเจ็บมันอยากได้อะไรก็ต้องไปทำตามที่มันอยากได้แต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะมีกำลังสู้มันเราจะไม่ทุกข์เวลาที่เราฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากเหมือนกับบิฉีดยาชาให้กับฟันเวลาจะถอนฟันนี่ถ้าฉีดยาชาแล้วมันสบายไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าไม่ได้ฉีดนี่โอ้โหมันจะเจ็บจะปวดมากจนก็ตั้งไม่ยอมไม่ถอนถอนไม่ได้ทนไม่ไหวฉันไดเวลาจะเลิกความอยากต่างๆนี้ถ้าไม่มีความสงบนี้เลิกยากเลิกกับแฟนได้ไหมอยู่คนเดียวได้ไหมเลิกกับสามีเลิกกับภรรยาได้ไหมเลิกจากการทำงานได้ไหมไม่ต้องทำงานหาเงินได้ไหมเลิกใช้เงินได้บ้าเลิกไม่ได้หรอก เวลาไม่มีเงินนี่มันเป็นยังไงทรมานไหมเวลาไม่มีแฟนนี่ทรมานไหยแต่ถ้ามีความสงบแล้วไม่ทรมานเลิกได้อย่างง่ายดายกลับเห็นว่าการมีแฟนมีเงินกับวุ่นวายไปเปล่าๆไม่มีแล้วกับสบายกว่าอยู่คนเดียวสบายกว่าไม่มีอะไรมารบกวนความสงบ ถ้ามีเงินทองก็เดี๋ยวเรื่องเงินทองก็จะมาลบกวนความสงบของเรามีแฟนเดี๋ยวเรื่องแฟนก็จะมาลบกวนความสงบของเราเห็นคนที่มีความสงบแล้วจึงไม่อยากจะมีอะไรมีแล้วมันมาลบกวนความสงบแม้แต่ร่างกายก็ไม่อยากจะมีเ <laughs> พราะไม่ได้ใช้มันแล้วจึงไม่กลับมาเกิดใหม่คนที่มีความสงบจริงๆแล้วไม่กลับมาเกิดใหม่ การมาวุ่นวายกับร่างกายทำไมมันเหนื่อยยากกับร่างกายทำไมร่างกายนี้กว่าจะเอามาใช้มันได้นี่ต้องเลี้ยงดูมันกี่ปีใช่มแล้วไม่นานมันก็แก่เจ็บตายไปงนั้นสิ่งที่พวกเราขาดกันก็คือความสงบขาดยาชากันถ้าไม่มียาชาถอนฟันไม่ได้ถอนกิเลสถอนความอยากไม่ได้ ต้องฉีดยาชาก่อนทำใจให้สงบก่อนพอทำใจให้สงบแล้วทีนี้ก็ถอนความอยากต่างๆได้หมดเลยพราเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนฟันผุเงี้ยมันปวดอยู่ตลอดเวลาถ้าถอนออกไปได้แล้วมันก็หายปวดหรือถ้าเป็นหนามก็มันก็จะเย็ยบมันก็จะเจ็บอยู่เรื่อยๆเวลาไปเดินไปเหยียบเท้าพอแต่เท้ามันเหยียบกับพื้นมันก็จะเจ็บทันที พามันมีมีหนามฝังอยู่ในเท้าฝังอยู่ใต้เท้า<ม>แต่เวลาถอนก็เจ็บก็ไม่อยากจะถอนอีกถ้าไม่มียาถ้าไม่มียาชาถ้ามียาชาก็ถอนได้อย่างง่ายได้ฉ<ม>ีดเข้าไปปุ๊บถอนออกมาได้เลยเห็น<ม>ตอนนี้มาฝึกทาใจให้สงบ ก, กันไปอยู่คนเดียว<ม>เราใช้สติให้มากม ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวอยู่คนเดียวได้ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงก็อยากจะกลับละมีบางคนมาขออยู่บนเขาเนี่มีคนนึงอยู่ได้ถึงสองทุ่มก็ข อ, อกลับละเริ่มกลัวผีกลัวอะไรเต็มไปหมดละ mm hmm. กิเลสมันมาในหลายรูปแบบความอยากมันมาหลายรูปแบบสร้างความกลัวให้เรากับอยู่กับสถานที่ไม่ได้อยากจะกลับบ้านละอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสน ะ, ละ อยู่ที่นี่มันมีแต่สิ่งที่น่ากลัวแต่คนที่ก็มีสติเขาก็อยู่กันได้อ ย, อยู่กันเป็นปีๆไม่เห็นมีปัญหาเลยใจเขาสงบใจเขาไม่ปรุงแต่งถ้าไม่สงบนี่เดี๋ยวเห็นใบไม้ไหวหน่อยกิ่งไม้ไหวหน่อยได้ยินเสียงตุ๊กแกวิ่งไปวิ่งมาหน่อยก็คิดว่าผีมาละกลัวละแล้วตาก็พร่าเห็นอะไรไปเต็มไปหมดเลย ยังต้องฝึกสติให้มากๆก่อนเราฝึกได้ในขณะที่เราอยู่บ้านสตินี้เราฝึกได้เดินขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยลองทําดูสักวันหนึ่งไหนวันนี้จะท่องพุโทโธทั้งวันดยมันจะยากขนาดไหนวะอาบน้ํากับพุโทโธแปรงฟันกับพุโทโธล้างหน้าล้างตากับพุโทโธวิผ้าวิผมกับพุโทโธ แต่งหน้าทาปากก็พุทธโธไปหวีภาหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทธโธไปกินข้าวก็พุทธโธไปถ้ามันพุทธโธได้มันก็จะเวลานั่งก็สงบเวลามีพุทธโธใจก็ไม่วุ่นใจก็ไม่อยากไม่หิวกับอะไรของดีแท้ๆกับไม่เอากันชอบไปเอาของที่ทำให้ใจทุกข์ใจวุน่นวายกัน เราไปเอาขนมนมเลยเอารูปเสียงกลิ่นรสกันพออยากใจก็สั่นละพอไม่ได้ก็เสียใจพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากใหม่ก็ไม่มีวันจบถ้าเอาความสงบแล้วจบทุกอย่างจะจบลงที่ความสงบเลยจะสงบได้ก็ต้องมีสติมีพุทธโธ พอมีพุทโธนั่งสมาธิได้แล้วทีนี้ก็อยากจะไปอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับหลายคนมันวุ่นวายมันสงบยากเรือสงบได้น้อยไปอยู่คนเดียวนี่สงบได้ทั้งวันงั้นก็ขอให้เราพยายามฝึกสติกันอย่าไปคิดว่าเราต้องไปอยู่ที่นู่นที่นี่ถึงฝึกได้ฝึกได้ทั้งแต่ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเราท่องพุโทโธแค่นี้ทำไมท่องไม่ได้ทำไมร้องเพงลงร้องได้ทำไมท่องพุโทโธกันไม่ได้าาคาราวเกตี่โอ้ยร้องกันทั้งคืน <laughs> พอพุโทโธหน่อยนะพุโทโธไม่ออก <laughs> เอาพุโทโธเป็นคาราอเกตส ว่าไงมีอะไรไหยเข้าใจยังตายก่อนตายออย่าไปใช้ร่างกายให้ถือว่าร่างกายมันตายไปแล้วนี่เราพร้อมที่จะตายอพร้อมที่จะตายอถ้าเราไม่ใชยมันมันเราก็เราก็พร้อมให้มันไปถ้าเรายังใช้มันอยู่เราก็ไม่อยากให้มันไปอเราก็จะทุกข์เวลามันไปเวลาอยู่มันก็เราก็ทุกข์เราก็กังวลว่ามันจะไปเมื่อไหร่ กลัวมันจะไปกลัวมันจะเป็นอะไรเยกลัวาไปดีตั้งข่ามใช่ห้าไม่ได้แต่มันก็ยังอดไม่ได้ยังอดกลัวไม่ได้เห็นคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็กลัวขึ้นมาไอ้เดี๋ยวต้องเราก็ต้องเป็นเหมือนเขานะแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันต้องเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเราทำใจได้มันก็จะลดความกลัวลงได้ถ้าเราลดความอยากใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งได้เราก็จะหายกลัว<ม>ยอมให้มันตายยอมให้มันแก่ได้ยอมให้มันเจ็บได้<ม>ทางนี้มีอะไรไหมปไปอยู่ภาษาที่ไหนมากันบ้างนะ เอยู่ด้วยกันเนะี่ที่เดียวกันเนะ่ะที่เคยไปที่เดียวกันหรือเปล่ากว่ะที่นทนหนูไม่ได้ไปเลยยงไม่ได้ไปแต่ว่าก็ไปชียงใหมนะ่ไปชั่วคราวอย่างเี้ยแหละเขาไปเข้าไปยาวกว่ายงมีพระไมมีพระกี่รูปเนี่นะ วัดใกลๆของบ้านผมพ่อเกษีนะค ะ, ะแล้วพวกพวกญาติโยมเปกันกี่คนพอดียังไม่ได้เป็นวัดเป็นสํนานักก็มีโยมที่อยู่ประจำมีสงคนแล้วก็มีโยมที่ไปอยู่ขออยู่พรรษาแค่คนเดียวะคะ่ะแล้วได้ปฏิบัติตลอดเวลาหรือเปล่าก็ลอดได้ปฏิบัติแต่แต่ช่วงเช้าก็าต้องช่วยทําบรัวก่อนอ ถ้าทำบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ดัดความขี้เกียจพวกเราทุกคนต้องกินเงินก็ต้องหากินเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งพระก็ไปบินทบาตโยมก็ทำกับข้าวกับปลามันก็เป็นหน้าที่มันเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็เรายังปฏิบัติได้ในขณะที่เราทำครัวแล้วก็ปฏิบัติสติไปได้อย่าคุยกันอย่าไปสนใจคนนั้นจะทำอะไรไม่ทำอะไรเรื่องของเขาเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไม่ให้บกพร่องก็พอเสร็จจากหน้าที่เราก็กลับไปทำเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อฟังเทศฟังธรรมต้องฟังเทศด้วยนะมันจะ หนังสือธรรมะหรือ CD ดีธรรมะเนี่ยฟังไปมันจะได้มีอะไรคอยเตือนใจเร า, าจจะคิดว่าเรารู้เรารู้แต่มันลืมแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ทำตามที่สิ่งที่เราควรรู้ควรทําแต่ถ้าเราฟังแล้วมันจะคอยเตือนใจเราต้องทําอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะอย่าไปทําอย่างนั้นนะสมัยนี้มีธรรมะอย่างน้อยวันละชั่วโมงก็ยังดี เราผู้ปฏิบัติสมัยที่เราไปอยู่กับหลวงตามีหนังสือของท่านเราก็อ่านวันละชั่วโมงน อ, นอกจากให้ท่านอบรมอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ก็อ่านหนังสือของท่านเสริมอีกอแล้วก็ได้ปัญญาได้ความรู้อะไรเยอะแยะรู้จักวิธีอุบายวิธีปฏิบัติต่ตางๆ ก็เป้าหมายก็คือเพื่อทำใจให้สงบสงบแล้วก็จะเห็นโทษของความอยากเพื่อจะใช้ปัญญาหยุดความอยากได้ปัญญาก็คือเห็นว่าความอยากหลอกให้เราไปหาความทุกข์เพราะความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากมันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันจากเราไปพอมันหมดไปเราก็ทุกข์ว้าวเวยอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหมือนเดิม ไม่อิ่มไม่พอเหมือนกับเวลาที่ไม่มีความอยากเวลาไม่มีความอยากนี่ใจอิ่มใจพอใจสบายงัย้นจะให้พอนก่อนนะเผื่อใครอยากจะกลับไปจะแล้ไปได้อยู่ที่ไหนนะกรุงเทพปันเมืองเห็นมาบ่อยแล้วนะ ไปมาอยู่ครับเป็นข้าราชการเนะอ๋อไม่ใช่ครับอกรถเราแท็กซี่เล่หรือว่าตอนเมืองนะอย่างนี้ยังมีเครื่องบินขึ้นลงเยอะเลยตอนเมืองก็มีครับแำนวน้อยกว่าที่สุวรรณภูมิครับ เป็นเครื่องในประเทศหรือไงที่ดอนเมืองนี้ส่วนส่วนใหญ่ครับก็อาจจะมีพวกต่างประเทศมามีของต่างประเทศด้วยนะทำไมถึงสนใจมาฟังเทศฟังธรรมนะเพิ่มเพิ่มความรู้หรือปัญญาครับแล้วก็กำลังใจอีกอับห เอาไปใช้ได้ไหมธรรมะของพระเจ้าเนี่ยก็ได้ประโยชน์ครับถ้าฝึกประจำเพราะว่าอยู่ทรมาหากินมันก็เจอกปหลายอย่างครับต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยหายใจครับมันเทาความเครียดไงก็ต้องย่อต้องลดความอยาก ต้องยอมเสียบ้างอย่าตาเอาแต่ได้อย่างเดียวถ้ายอมเสียมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมเสียเวลาเสียมันจะทุกข์เราต้องยอมคิดว่ามันไม่ในมีอะไรแน่นอนหลายได้มันไม่มันไม่มีขึ้นอย่างเดียวมันก็มีลงได้มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเวลาได้ก็อย่าไปใช้มันมากมเก็บไว้สำรองไว้เวลามันเสียจะได้ไม่เดือดร้อนมีอะไรมา สำรองไว้ถ้าได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นเวลามันไม่ได้เวลามันเสียมันก็มันก็จะลำบาก mm hmm. ใครจะคุยกันก็ไปคุยไกลๆหน่อยนะ mm hmm. ให้มันเสียงไกลๆหน่อยอย่ามาเข้ามาทางนี้ รับลูกก็แลละยังมีสมอรเรืออยู่เรือยังออกจากท่าไม่ได้ไอ้ น, นี้ผ่านไม่ได้เดี๋ยวเราไปรับลูก ไ ป, ไปนิพพานต้อง e. ไ, ไม่มีลูกไม่มีแฟนอย่างเงี้ยไปได้เล่มใหญ่นี้ของหลงตามหาบัวแ่นดวงใจนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของที่แท้ดีก็เวลาอ่านนิยายไม่ต้องใช้เวลาเลยตังเดียวหนังสือฟิลมเนี่วันหนึ่ง ดูพ่วงเดียวก็จบแล้วพอเจอธรรมะนี่มันต้องใช้เวลาตอนตอนน้ำพุ่มได้อ่านของลูกตาลุบใหญ่อะอจบพออีไปไหนไม่ได้โดนขังน้ำรับคคำถามจากทางเฟซบุ๊กไลฟนะครับจากคุณพานุวัฒนะครับในชาติ นี้ที่เราเกิดมามีเจ้ากรรมนายเวรติดตามเรามาจากทั้งในชาตินี้และชาติก่อนๆเราจะมีวิธีการขออภัยเจ้ากรรมนายเวรอย่างไรที่ถูกต้องที่สุดทั้งภาวนาหรือการกล่าวทำครับการกระทาก็เวลาเจอเจ้ากรรมนายเวรก็กล่าวเขาเลยกราวขอขมาขออภัยชดใช้ค่าเสียหายที่เราทาให้กับเขา ถ้าเขาไม่ยอมเขาจะฆ่าเราก็ต้องปล่อยให้เขาฆ่าไปเช่นพระโมกคัลานะท่านก็เคยมีเวณมีกรรมกันมาพอเขาจะมาฆ่าท่านท่านก็บอกว่าอยากจะฆ่าก็ฆ่าไปเพราะหนีไม่พ้นหนีไปแต่พวกนี้ก็ตามมาอยู่ดีเรื่องตามก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วถ้าตายตายแล้วใช้ได้ใช้เวณใช้กรรมด้วยก็ดีได้ได้สองต่อได้สองเท่า ดีกว่าตายแบบไม่ได้ชดใช้เวรใช้กรรมาะฉนั้นคิดว่าถึงเวลาจะตายเพราะเวรกรรมก็ดีเพราะว่าเราจะได้กําไรสองต่อแต่ถ้าตายเฉยๆไม่ได้ชดใช้เวรกรรมเดี๋ยวไปเกิดชาติหน้าเดี๋ยวก็ไปเจอกันใหม่ก็ต้องมาจองเวรจองกรรมกันใหม่คำถามจากคุณเฟิร์นนะครับ ปัญญาอบรมสมาธินี้ทำอย่างไรจิตจึงสงบได้เวลาจิตไม่สงบก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าตอนนี้ไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะเงินนะก็พิจารณาเงินมันไม่เที่ยงมันมีมามีไปทีนี้ถ้ามันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้พอจะอเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะไปก็ปล่อยมันไปมันก็สงบมันก็กลับมาพุโทโธได้ นุ้ยแฟนจะไปก็เหมือนกันแฟนก็ไม่เที่ยงเกิดเขาเบื่อแล้วเขาชอบคนใหม่เขาอยากจะไปนึงเขาไว้ก็ไม่อยูอ่ก็มองให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาห้ามเขาไม่ได้ไม่ใช่ของเราอพอยอมรับว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเขาจะไปก็ให้เขาไปเราก็หายวุ่นวายใจกลับมาพุทโธได้นั้นก็จะนั่งคิดถึงแฟนอยู่ด้วยจะทำไงให้เขาอยู่กับเราจะทําไงไม่ให้เขาไป นั่งแถมที่จะพุโทโธพุโทโธก็พุโทโธไม่ได้เพราะมีเรื่องมีเรื่องคาใจอยู่ก็เอาปัญญามาเคลียเรื่องที่คาใจอยู่ถ้าปัญหานี่สินก็ใช้ปัญญาว่านี่ถ้ามีก็ใช้เข้าไปไม่มีก็ติดตารางไปติดคุกไปให้เขายึดซับไปยอมสักอย่างมันก็จบอันนี้เรียกงปัญญายอมว่ามันเป็นสิ่งที่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจก็สงบก็กลับมาพุดโทต่อได้คำถามจะคุณสริญญานะครับตัวเองชอบกังวลเรื่องลูกชายเขากำลังวัยรุ่นห่วงเขาถ้าเขาออกจากบ้านไม่กลับตรงเวลาคะ่ะแต่ก็ฟังเทศพระอาจารย์บ่อยอก็อยากถือศีลแปดนะคะ อ, อันนี้ก็เรียนถามครับอาจารย์แต่ว่าไม่ดูกระาำ เล่าให้ฟังเฉยๆก็เขาขึ้นมาว่าเรียนถามแต่ไม่ได้ถามมาแลาจ้ะ <c oughs> ครับคำถามจากคุณหมูนะครับลองพุทโธได้ไม่เกินสิบวินาทีมันหายไปโดยไม่รู้ตัวกว่าครึ่งชั่วโมงถึงรู้ตัว <c oughs> <c oughs> พุทโธเหนพุทโธนี่มันจับยากแล้วกัน เน่ยนันคาราโอเกะนี่จับง่ายกว่าท้องขึ้นใจเลยในพุทโธนี่มันมีความสนุกได้นหความสนุกที่มาไปกับพุทโธก็ให้มันอยู่กับมันไม่ต้องสนุกหรอกสนุกเดี๋ยวมันก็จะจะคึกขนอมขึ้นมามันก็จะไม่สงบกลย และการให้อยู่กับพุโทโธเพื่อแม่มันไปคิดเรื่องราวต่างๆคําเลยคำถามจากคุณพัชราพี่ชายเพื่อนป่วยเส้นเลือดไปหัวใจตีบสามเส้นนอนไอซเติมเลือดทุกวันเขาเป็นคนดีมีคนรักมากจึงมีเพื่อนมาบริจาค ก, กันเรื่อยๆและบอกข่าวกันต่อๆในโซเชียล แต่มีคนไปปล่อยข่าวว่าเสียชีวิตไม่รับบริจาคเลือดแล้วโยมช่วยแก้ข่าวและอดโมโหไม่ได้ว่าปล่อยข่าวได้อย่างไรโยมตอบตกใช่ไหมครับของพระอาจารย์เมตตาใช่เราไปห้ามเขาไม่ได้ใครจะพูดอะไรใครจะเขียนอะไร เ, เราก็มีหน้าที่ไปตามเช็ดตามล้างก็ตามไปเช็ดตามไปล้างไปจะไปโกรธก็ไม่เกิดก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร ใจเราต้องเป็นปกติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องรักษาใจให้สงบตลอดเวลาพอเวลาโกรธ ใ, ใจเราก็ทุกข์ละ<ม>เสียหลักเหมือนก็ถูกยิถูกเขายิงละ<ม>แต่ถ้าเขาเขียนอะไรเราใจเราก็เฉยเขาก็ทำจะอะไรใจเราไม่ได้<ม>ยังต้องมีสติคอยดูใจตลอดเวลาว่าตอนนี้ยังสงบอยู่หรือเปล่า แลเริ่มวุ่นวายแล้เริ่มโกรธเริ่มเกลียดอะไรแล้วถ้าโกรธเกลียดแสดนงว่าเราแพ้แล้วเราสอบตกแล้วเราต้องรีบถ้าขับรถกันเหมือนเริ่มออกขอบตกไปขอบถนนอะต้องรีบนึดึงรถกลับขึ้นมาบนทางเะนั้นเดี๋ยวมันเพลิดเพลินเดี๋ยวจะเจ็บถลอกอกเปือกมากไปกว่านี้ถ้าโกรธแล้วร เ, รเดี๋ยวไปไ ป, ไปโพสต์สู้กันด่ากันเดี๋ยวก็ <laughs> คำถามจากคุณการหากเราฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจบาปไหมครับเราจะต้องรับผลอย่างไรครับเช่นขับรถแล้วสุนัขวิ่งตักหน้ารถทำให้สุนัขตายเราจะต้องชดใช้กรรมหรือเปล่าครับมันไม่มีเวรกันคือสุนัขมันก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเราแล้วเราก็ไม่ได้ทบาบาปมันไม่ได้เป็นเจตนาแต่ถ้าเรา อาจจะไปเกิดเป็นสุนัขชาติต่อไปเราก็อาจจะไปถูกรถชนตายก็ได้แต่แต่มันไม่ได้เราเร า, เราจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสุนัขเพราะว่าเราไปชนสุนัขตายโดยที่เราไม่ตั้งใจแต่เราอาจจะไปทำบาปอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำให้เราต้องไปเกิดเป็นสุนัขล้วก็อาจจะไปวิ่งข้ามถนนโดนโรถชนตายก็ได้อันนี้ก็ คำถามจะคุณขวัญตาศีลในองค์มัดปฏิบัติอย่างไรคะก็เหมือนศีล5ศีล8ปดศีล227แล้วแต่ความความต้องการของเราเราจะปฏิบัติในระดับไหนระดับต่ําก็ศีล5ระดับกลางก็ศีล8ศีลสิ 8, ส 10, ระดับสูงก็ศีล227ศีลส0มกว่าที่เราก็เลือกปฏิบัติเอาเหมือนกับซื้อของเนี่ย ของมันก็มีหลายราคาใช่ไหมสินค้าเช่นรถยนต์มันก็มีหลายระดับระดับต่ำระดับกลางระดับสูงมันก็ต้องจ่ายเงินมากน้อยต่างกันไปแล้วสินค้าที่เราได้มาก็จะมีคุณสมบัติคุณสมมีความสามารถแตกต่างกันไปการรักษาศีลได้มากขึ้นมันก็จะได้ความสงบมากขึ้นความวุ่นวายก็จะน้อยลงไป คำถามจากคุณสามารถตอนนี้ทราบดีเรื่องของใจที่ส่งไปมาหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวแต่ปัญญาที่มีก็พยายามแก้ไขแต่มันแก้ไม่ขาดปัญหาเดิมๆก็เข้ามาทำให้ใจทุกข์เสมอก็สู้กันอย่างนี้แพ้บ้างชนะบ้างคำว่าชนะแต่ชนะไม่ขาดอยากทราบว่าต้องเร่งความเพียรด้านใดให้มากครับ ก็เล่นทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้าสมาธิยังมีกําลังน้อยก็จะตัดไม่ได้ไม่มีกําลังตัดถ้าไม่มีมันจะไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้ว่าจะตัดอะไรมันก็ต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาปัญญาก็จะบอกให้ตัดกิเลสตัดความโลภความอยากต่างๆแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีกําลังจะตัดเลย ก็ต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถึงจะตัดความอยากตัดกิเลส ต, ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็เพียงแต่กดมันไว้กดความอยากไว้เวลาใจสงบความอยากก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้พอออกจากความสงบมามันก็อยากมันก็ไปทำตามความอยากถ้าออกมาล้วถ้าไม่มีปัญญามันก็จะไม่ไปหยุดความอยากเพราะความอยากมันจะหลอกว่าดี ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรแนละ้วมันดีมันสุขแต่ถ้ามีปัญญาปัญญาก็บอกอย่าไปไปแล้วมันก็ไปเหมือนไปติดยาเสพติดสู้กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่าอย่าไปทําตามความอยากพอจิตไม่ทําตามความอยากจิตก็จะสงบมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทําตามความอยากที่เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาว เหมือนควันไฟได้มาแล้วก็หมดไปคําถามจากคุณพิมพ์สุภัฒสอนพ่อหนูเสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้เสียใจมากแต่เสียใจในความดีของพ่อที่หนูจะไม่เห็นอีกแบบนี้เรียกว่ายังตัดความรักความอะไรไม่ขาดหรือเปล่าเจ้าคะเออมันก็ยังตัดไม่ขาดนะถ้าตัดขาดมันก็จะเฉยเฉย มองว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือความดีของเขามันก็ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วคำถามจากคุณเบิร์ปกติไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะให้ลูกเป็นอย่างไรไม่ยุ่งวุ่นวายกับเขามากแต่กลับเป็นว่าเขาทาแต่เรื่องวุ่นวายใจให้บ่อยๆแบบนี้เราจะต้องวางใจอย่างไรคบไม่ให้ทุกข์ไปกับลูก ก็ห้ามเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ตลอดเวลาเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไปห้ามไปสั่งไม่ได้เหมือนเสียงจริ้งจกร้องเนี่ยเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ก็อย่าร้องนะตอนนี้มันอยากจะร้องมันเราก็ห้ามมันไม่ได้ลูกก็เหมือนกันเราจะไปห้ามไม่ให้เขาทําในสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้ไม่ได้เราก็ต้องคิดว่าเขาไปเหมือนฝนฟ้าอากาศไปเป็นอนัตตา เป็นธรรมชาติคำถามจะคุณอุจังการฝึกมโนมยิทิเทียบกับการทาวิปัสสนาควรฝึกอันไหนดีคะอยากทราบความแตกตา่างเ อ, อเราไม่รู้หรอกว่าเราไม่เคยฝึกทางนี้มาก่อนต้องไปถามคนที่เขาฝึกมโนมยิทิหรือว่าเขาฝึกกันยังไงคำถามจะคุณอิทิ รู้ได้อย่างไรว่าจิตมีกําลังสมาธิพอแล้วพอแล้วสําหรับจเจริญวิปัสสนาครับมันก็ต้องสงบเต็มที่จิตมันก็ต้องรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอันนั้นมันก็จะรู้ว่าจิตไม่ไม่กระเถือนไม่มีความรักชังกลัวหลงในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นจิตที่มีกําลังที่จะ ส, สู้กับกิเลสคือความรักชังกลัวหลงได้ คำถามจ้กปูนสุภาภรเจ้ามาไม่มีอะไรมาเจ้าไปไม่มีอะไรไปหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปปริศนาธรรมคืออะไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็รู้ว่าใจนี่มาเปล่าๆตัวเปล่าๆแล้วก็ไปตัวเปล่าๆใจเรานี่เวลามาได้ร่างกายมันก็ไม่มีสมบัติที่เชืกสักชิ้นติดตัวมา ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีสามีติดมาด้วยเวลาไปก็เหมือนกันก็ไม่มีสามีภรรยาไม่มีลูกไม่มีสมบัติอะไรติดตัวไปเอาท่งเรียกว่ามาตัวเปล่ปาเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่ปาเปล่ามีก็บุญกับบาปที่ติดตัวมาเท่านั้นเองบุญก็นิ ส, สัยดีบาปก็นิ ส, สัยไม่ดีบุญก็คือนิ ส, สัยชอบทาความดีชอบทาประโยชน์ ชอบสร้างความสุขให้กับคนอื่นนี่เรียกว่า บ, บุญนสายไม่ดีก็ชอบไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นแล้กับตัวเองก็เรียกว่าบาปคําถามจากคุณกฤษพรคําถามว่าผู้ที่พูดว่าตัวเองพ้นแล้วคืออะไรคะ แต่ก็ชอบนั่งว่านั่งด่าผู้อื่นด้วยคำพูดหยาบคายอขอถามว่าเขาพ้นอะไรไม่ถามเขามาถามเราได้ <c oughs> เราจะไม่รู้หรอ <c oughs> ถามเ่าสิคุณพ้นอะไรคำ <c oughs> ถามจะคุณพา <c oughs> อ่าาวพันภาวพันนะครับข้อแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานแตกต่างกันอย่างไรครับก็สมถกรรมฐานก็ฝึกใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาวิปัสสนากรรมฐานก็ฝึกใจให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา <c oughs> คําถามจะคุณสุดที่รักอะไรคือจิตที่สงบแล้วทําอย่างไรจิตจึงจะสงบนอกจากการสวดมนต์ภาวนาครับ ก็พุทโธไงหรือนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกมีสี่สิบวิธีที่จะทำให้ใจสงบเขาเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบชนิดเนี่ยอันนี้ต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าผูกไว้แล้วมันก็จะไม่คิดอะไรมันก็จะสงบมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาคำถามจากคุณ ชัยศิษย์นะครับขณะที่นามและรูปแยกออกจากกันสภาวะธรรมก่อนเกิดขณะเกิดหลังเกิดเป็นอย่างไรครับรมันพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องยังไงเอาใหม่ครับ <laughs> ขณะที่นามและรูปแยกออกจากกันสภาวะธรรมก่อนเกิดขณะเกิด และหลังเกิดเป็นอย่างไรครับคำว่ขขาขณะที่นามก็รูปแยกออกจากกาันเป็นหมายควาอะไรนะนามก็รูปมันจิตกกายหรืนั่นสิคือนามนามมันก็คือนามมาขันรูปก็คือรูปประขนันรูปประขนันนามมาขันรวมกันก็เป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันก็จะยากกันตอนที่ตายหรือตอนที่จิตสงบจิตสงบตอนนั้นจิตนามปรขันก็สงบตัวลงมันก็เหมือนกับว่ามันแยกออกจากรูปประขันตอนนั้นก็เหลือแต่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วมันจะไป ม, มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นก่อนดับขึ้นอะไรมไม่มีเพนั้นมันถามคำถามแบบไม่รู้ว่าถามอะไร คำถามจะคุณสมหมายนะครับเช้าก่อนจะไปถืออุโบสถศีลแต่ติดเครื่องรถสายพานแอร์ไปตัดตัวหนูตายโดยที่โยมไม่เห็นและไม่มีเจตนาศีลแปดของวันนั้นโยมจะครบไหมคะครบครบไม่ได้ทำไม่ได้ฆ่าด้วยด้วยการมีเจตนาคำถามจะคุณทิพวันนะครับ ถ้ากินอาหารที่มีส่วนผสมของเหล้าสาเกหรือไวน์ขณะทำพวกแอลกอฮอล์ระเหยไปหมดแล้วถือว่าผิดศีลข้อห้าใหม่คะถ้าจะเอาตามคำพูดมันก็ผิดมันก็ยังเสพสุราอยู่ก็อย่าไปใส่มันสิก็อย่าไปใส่สาเกอย่าไปใส่สุราอาหารมันก็ไม่ต้องมีของมวก น, นี้ใส่เข้าไปมันก็กินได้ไม่ใช่หร คำถามจะคุณขันติดพงนั่งสมาธิจิตจะสงบเร็วมากแต่พอครบ30นาทีจิตจะถอนพยายามนั่งต่อแต่จิตไม่ยอมมีวิธีแก้ใหม่ครับถ้าจะนั่งต่อก็ต้องพุโทโธต่อถ้าจะนั่งเฉยๆแล้วให้มันสงบเฉยๆเองมันไม่มีกําลังที่สงบด้วยตัวมันเองเพราะว่าสติมันหมดกําลังเหมือนกับนาฬิกามันขายลานมันหมดลานเราก็ต้องขายลานใหม่ พอสติมันหมดกําลังเราก็ต้องพุโทโธใหม่ถ้าจะนั่งต่อเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบได้ใหม่คำถามจากคุณพัฒ น, นารีนะครับทําไมเวลานั่งภาวนาพุโทโธหายใจเข้าออกลึกๆแต่เหมือนกับหายใจไม่สุดท้องต้องทําอย่างไรเจ้าคะ่ะพอเราไปบังคับลมเราอย่าไปบังคับลม ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนตอนนี้เรานั่งนี่เราไม่ได้ไปบังคับลมใช่มมันจะสุดท้องไม่สุดท้องก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการ น, นั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการที่จะมาควบคุมบังคับลมเราต้องการอาศัยลมเป็นที่ผูกใจเท่านั้นเองลมจะสุดไม่สุดไม่เป็นไรจะสัน้นจะยาวไม่เป็นไรจะหยาบจะละเอียดไม่เป็นไรขอให้เราเพียงแต่รู้เท่านั้ น, นว่าตอนนี้มันกาลังเข้าหรือออกท่านั้นเองให้อยู่กับการเฝ้าดูลม เพื่อที่ใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่คิดนัดใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณสุภการนะครับประกอบอาชีพขายยาฆ่ า, มาแมลงจะสามารถเป็นพระโสดาบันได้ไหมครับคืออาชีพนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันท่านก็จะเลิกเนี่ย ถ้าเป็นพาะโสดามันแล้วก็จะเลิกแล้วถ้ายังไม่เป็นก็อาจจะถ้าไม่รู้ว่ามันไม่อาชีพที่ไม่ดีก็ยังอาจจะทําต่อไปก็ได้แต่มันก็ยังไม่ไม่ถือว่าผิดศีลเพราะเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเองเราเพียงแต่เป็นคนขายสารพิษแต่เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเราก็ยังไม่ได้ผิดศีล คำถามจากคุณคุ ณ, ค, ณคุณจิรานะครับมีวิธีตัดใจเรื่องลูกชายม .6 เทอมสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะมาละเล่าให้ฟังเล่าให้ฟ <มา S 1> เล่เาต่อไปได้ไม่มาไ ม, ไม่ยอมไปโรงเรียนทุกใจมากค่ะอยากให้เขาจบม .6 <c oughs> เขาผ่อนแต่ทำใจได้นะ <c oughs> ทำใจได้เราก็แสดงว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้จบก็ได้ไม่จบก็ได้ คำถามจากคุณสมศกเราฝึกปฏิบัติมาสัก พ, พักมาถึงความว่างค่ะอะไรมากระทบก็วางได้ไวความวางได้ไวความพอใจไม่พอใจมากระทบก็รู้สึกได้บ้างแต่สามารถวางได้ไวมากๆแต่ช่วงนี้ใจเราจิตเรามันว่างจังเลยค่ะพระอาจารย์ การปฏิบัติภาวนาต่อไปเราควรพิจารณาอะไรเจ้าคะในด้านความทุกข์ความสุขก็ไม่ใคร่จะยินดียินร้ายคะ่ะตอนนี้ใจว่างเราควรพิจารณาปฏิบัติอย่างไรต่อไปถ้าเร า, นะเราคิดว่าเราไม่มีอะไรจะทําให้เราทุกข์ได้เราก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรเราก็อยู่กับความว่างไปรักษาใจาให้มันว่างแต่ถ้าเรายัง คิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ยังจะมาทําให้เราทุกข์ได้เราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้เห็นว่าเขาไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราปล่อยวางเขาให้ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเช่นร่างกายของเรายังทําให้เราทุกข์ได้อยู่หรือเปล่าเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายยังทําให้เราทุกข์ได้หรือเปล่าถ้ามันยังทําให้เราทุกข์ได้เราก็ต้องพิจารณาร่างกายไป ร่างกายยังไงมันก็ต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายห้ามมันไม่ได้ที่เราทุกข์ก็เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความไม่อยากนี้เสียจะยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายพอเรายอมแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราไม่ทุกข์กับร่างกายแล้ว เวลาร่างกายแก่เราก็ไม่ทุกเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันเราก็ไม่ทุกเวลาร่างกายตายเราก็ไม่ทุกแต่ถ้าเราไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์ใจเราก็อยู่กับความว่างไปตลอดเวลาเพราะความว่างเป็นความสุขอย่างยิ่งกลัวมันจะไม่ว่างจริงนะสิถ้าว่างจริงมันไม่ต้องมาถามว่าจะทำอะไรเหมือนได้เพชรมาแล้วถามว่าจะทำอะไรดีกับเพชรเม็ดนี้ ได้มาแล้วก็รักษามันสิใช่ไหมความว่างนี้เป็นเหมือนเพชรน้ําหนึ่งได้มาแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าจะไปทําไงดีก็เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติอันประเสริญนิบานังปรามังสุญญ์ยังนิพพานคือความว่างอุความว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความว่างสุดๆนี่แหละคือพระนิพพานคือใจไม่ทุกข์ไม่อะไรกับอะไรเลยแต่ถ้าใจยังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ว่าง ถายังทุกข์อยู่กับเรื่องใดก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางแล้วดับความทุกข์ที่เกิดจากเรื่องนั้นพอมีปัญญาแล้วมันก็จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นปนนไปได้ตลอดถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเรายอมให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจะคุณอนาปานะครับทางจงกรมจําเป็นต้องเรียกใหม่ครับมีหินวางสําหรับเป็น99ได้ใหม่ครับก็เป็นทางเดินให้มันเดินสบายเดินแบบไม่มีอะไรมารบกวนถ้าทางมันเรียบมันไม่มีอะไรมันก็เดินแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องมาคอยคอยคอยดูทางคอย เ, อเราจะได้ ใจเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเดินใจเราจะได้ผูกอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่งได้อยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับเท้าไปเช่นทางพระนี่ท่านจะกวาดอยู่เรื่อยๆใบม้วงใบไม้อะไรเนี่ยก็กวาดให้มันทางมันมันสะอาดเดินไปเดินมาจะได้ไม่มีอะไรมาคอยมารบกวนใจ คำถามจากคุณเกวาินนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนมีลมตีขึ้นมาเหมือนจากเลอตลอดค่ะควรทำอย่างไรดีไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ใช้ถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่มาเกิดให้เรารับรู้มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปมันเลอิก็ปล่อยมันเล อ, ปล อ, เลอไป คำถามจากคุณชวนฟังธรรมะประจําจนติดไม่ฟังนอนไม่หลับการติดแบบนี้ถือว่าเกิดปัญญาหรือติดการฟังเสียงครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่เราเราจะถ้าฟังแล้วมันเกิดปัญญามันก็มันก็เกิดปัญญาถ้าฟังแล้วติดถ้าไม่ได้ฟังแล้วนอนไม่หลับมันก็เป็นการติดเนี่ย แต่มันติดแบบนี้มันก็ไม่ดีติดเพื่อจะเป็นยานอนหลับก็ไม่ดีถ้าติดเพื่อเป็นยารักษาความทุกข์ใจก็ดีอยู่ถ้าฟังธรรมเพื่อมาดับความทุกข์ใจก็ดีอยู่แต่ถ้าฟังธรรมเพื่อให้นอนหลับก็อย่างนี้ก็ไม่ดีกลายเป็นเอาธรรมมาเป็นยานอนหลับคำถามจะคุณยานิธาตามที่พระอาจารย์บอกว่าผู้ปฏิบัติธรรม ผูเขดาด่าก็ให้เขาด่าไปเขาจะตีก็ให้เขาตีไปแล้วถ้าเขาแช่งหลักเจ้าคะจะเป็นตามที่เขาแช่งหรือเปล่าถ้าเขาประกาศสิทธิ์ของเขาเด็ดขาดอย่างนั้นก็ดีแ <c oughs> ช่งแชงไม่ได้หรอกมันตัวที่แช่งเราก็คือบุญกรรมที่เราทำนี่แะเป็นตัวที่จะแช่งเราให้ดีหรือให้เราชั่วคนอื่นไม่สามารถแช่งก่อน ให้คนอื่นเป็นอะไรได้มันแค่เป็นลมปากเท่านั้นเองจะเป็นทําอะไรได้คําถามหมดครับพระอาจารย์ <c oughs> อ, อ๋ อ, อมีคําถามวันครั้งก่อนเคยถามพระอาจารย์เรื่องอ่าผู้เริ่มโครงการแล้วบุญจะเติมต่อหรือไม่พระอาจารย์บอกว่าอ่าไม่เติมแต่ถ้าเกิดว่าผู้เริ่มโครงการเนี่ยอ่า ยินดีกับบุญตัวนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญความสุขเติมต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจานยินดีกับสิ่งนั้นแต่มันก็เป็นความสุขที่มันไม่มันคนละอย่างกับความสุขที่เกิดจากการทำเนอามันก็สุขถ้าไม่ยินดีเช่นคนอื่นมารับช่วงต่อแล้วเขาได้หน้าได้ตาได้ชื่อได้เสียงแล้วเราก็ไปเสียใจเขาไม่เขาไม่เขาไม่เอ่ยถึงเราผู้เป็นผู้รลเรื่อเอนี้ยเราก็จะไม่ได้ความสุขจาก การกระทำของเขาแต่ถ้าเรายินดีว่า เ, ออเราเป็นผู้กระทนเริ่มแล้วเขาเอามาสารต่ อ, อเราก็มีความสุขกับการกระทำที่ดีกว่าไม่มีใครมาประสานต่อใช่ถ้าไม่มีใครมาทำต่อมันก็จะจบไปโครงการนี้ก็จะจบไปแต่ที่มีคนมารับต่อเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยเราก็มีความสุขได้แต่มันไม่สุขเท่ากับเราทำเองอ การอนุโมทนากับการทำความดีของคนอื่นมันเพียงแต่ทำให้เราไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่เสียใจเท่านั้นเองบ้องกันตรงนี้แต่มันไม่ได้ทำให้เราเกิดความอิ่มเอิบใจเหมือนกับเวลาที่เราทำบุญทำทานมันต่างกันแต่ถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็อาจจะเสียใจว่าเราทำแล้วทีนี้คนอื่นมามาทำต่อเขาก็ไม่เคยที่จะ กล่าวถึงเราเลยเรื่องอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเราก็อาจจะเสียใจได้แต่ถ้าเราคิดว่าโครงการนี้ที่มันเดินไปได้ถึงตอนนี้ก็เพราะเป็นเราเป็นผู้ริเริ่มถ้าเราไม่ได้ริเริ่มมันก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วเขามาทําต่อแล้วก็ควรจะดีใจกับเขาในเมื่อเราไม่สามารถที่จะทําต่อได้มีคนอื่นมาทําต่อให้กับเราก็ถือว่าเราก็เราก็มีความสุขได้จากการทําต่อของเขา ดังนั้นควรจะยินดีไม่ควรไปอิจฉาริษยาหรือประมาณว่าเขาไม่ดีกว่าเราไม่งั้นจะกลายเป็นคำบาปเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ทำให้เราไม่สบายใจคำถามจากคุณศิรินยานะครับขอให้พระอาจารย์แนะนำค่ะถ้ามีความทุกข์กับลูกชายกำลังวัยรุ่นจะทำใจอย่างไรก็คิดว่าเลี้ยงดิงก็แล้วกันครับ <laughs> <laughs> ถ้าตีได้ก็ตีถ้าตีไม่ได้ก็ก็ผูกมันไว้ก็แล้วกันถ้าผูกมันไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้กันแล้วแต่มันแล้วแต่บุญแต่กรรมของมัน <c oughs> เดี๋ยวก็มีคําถาม <c oughs> ก็มาเรื่อย <c oughs> ๆไม่มี <c oughs> ไม่มี เ, เดี๋ยแล้วก็เริ่มได้ไม่เป็นไ <c oughs> รหรอก <c oughs> จิตใจของเราก็เป็นลิงเดีเราควรจะสนใจกับลิงของเรามากกว่าเป็นสนใจกับลิงของคนอื <unhappy. S 1> ่นจิตใจเราก็เป็นลิงสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ให้เรากันตลอดเวลาแต่เรากลับไม่มาปราบมันเรากลับไปคอยปราบลิงของคนอื่นเอไปปราบลิงของลูกไปปราบลิงของสามีไปปราบลิงของภรรยาตัวแล้วก็ตัวเองเลยวุ่นวายไปใหญ่เรามาปราบลิงของเราก่อน ทำใจของเราให้สงบก่อนปราบความวุ่นวายใจของเราให้ได้ก่อนเมื่อเราได้ความสงบความสบายใจแล้วทีนี้เราจะไปปราบใครก็ได้แต่เราจะไม่ปราบแบบให้เราวุ่นปราบได้เราก็ปราบปราบไม่ได้เราก็ไม่ปราบแต่ถ้าเราไม่สงบนี่ใจมันอยากมันอยากจะทําให้สําเร็จเรายิ่งทําไม่ยิ่งยากก็ยิ่งเครียดแล้วถ้าไม่สําเร็จก็ยิ่งเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ กลับมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับตัวเองโดยไม่รู้เสร็จตัวจะไปปราบความวุ่นวายใจของคนอื่นกลับมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับตัวเองอันนี้ต้องระมัดระวังผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จักการรักษาใจของตนเองก่อนเมื่อรักษาใจของตนได้แล้วค่อยไปสอนให้คนอื่นเ้ารักษาใจของเขาต่อไปเราก็จะสอนแบบปล่อยวางไม่ได้สอนแบบยึดติดว่าจะต้องเป็นไปตามที่เราสอน สอนเขาแล้วเขาไม่เอาไปทําตามเราก็ถือว่าเราหมดหน้าที่เราแล้วเราเป็นคนบอกก็แล้วถ้าเขาไม่เอาไปทําก็ช่วยไม่ได้เราก็จะไม่วุ่นวายแต่ถ้าเรายังมีความอยากให้เขาทําตามที่เราต้องการเราก็พยายามอยู่เรื่อยๆยิ่งพยายามก็ยิ่งเครียดยิ่งวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วเวลาไม่ได้ก็ยิ่งเสียใจใหญ่ ดีไม่ดีก็แทนที่จะไปรักเขากลับไปโกรธเขาได้เองตอนต้นก็รักเขาอยากให้เขาดีพอไปสอนให้เขาก็าไม่ทำตามที่เราบอก<ม>ก็ยิงแทนที่จะไปรักเขาที่นี้กลับไปโกรธไปเกลียดเขาสิอันนี้สแสดงว่าทำผิดทำด้วยความอยากเพราะเรายังไม่กำจัดความอยากในตัวเราถ้าเรากำจัดความอยากในตัวแล้วเราจะทำโดยไม่มีความอยาก ทำด้วยเหตุด้วยผลทำตามหน้าที่เราไม่นี้มีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกก็สอนเขาไปบอกเขาไปส่วนเขาจะทำได้ไม่ได้มันก็เป็นหน้าที่ของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราก็จะไม่ไปโกรธเขาเกลียดเขาหรือเสียใจถ้าเขาทำไม่ได้เราก็มองด้วยเหตุด้วยผลท่านนั้นเองเนี่ยคือวิธีสารของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถ้าไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับใคร ท่านก็สอนแล้วใครจะไปทําได้ก็ทําทําไม่ได้อย่างพระเทวทัตสอนจนกระทั่งจะมาฆ่าพระองค์ท่านก็ยังไม่เสียใจถือว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของพระองค์เรื่องของพระองค์มีนหน้าที่สั่งสอนก็สอนไปเหมือนมีรามคนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วกันพระองค์ทรงสอนให้ทุกคนไปนิพพานกัน ทำไมไม่ทุกคนไม่ไปนิพพานกันพระเจ้าบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเป็นคนบอกทางก็แล้วเขาจะไปหรือไม่ไปก็อยู่ที่ตัวเขาเพราะพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนที่ท่านสอนเนี่ยพุทธบริษัทสี่นี้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไปนิพพานกันทุกคนหรอกใช่ไหมพวกที่ไปถึงก็มีพวกที่ไปไม่ถึงก็มีก็เป็นเหมือนอาจารย์สอนเด็กอสอนเด็กบางคบางคนก็จะบางคนก็สอบตกบางคนก็สอบผ่าน ก็สอนให้เท่ากันหมดทุกคนอยู่ในชั้นก็เรียนฟังด้วยการสอนพร้อมๆกันไปแต่ทำไมบางคนสอบได้ที่หนึ่งบางคนสอบตกมันก็อยู่ศักยภาพของเขาความสามารถที่เขาจะดูดซึมความความรู้ต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับเขาได้มากน้อยเพียงไรถ้าเขามีศักยภาพมากสามารถดูดซึมได้มากเขาก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์มาก แต่ถ้าก็เป็นแบบสุนัขที่เราสาดน้ำเทน้ำใส่หลังสุนัขนี่เทป้ามันก็สะบัดทิ้งหมดเลยอย่านี้เวล า, าสอบก็สอบตกแต่ถ้าเป็นแบ บ, ก ร, รบกระดาษซับกระดาษซึมนี่พอเทน้ำลงไปนี่มันจะดูดน้ำหมดเลยเนั้นก็อยู่ที่ลูกศิษย์อยู่ที่นักศึกษานักเรียนคนสอนนี่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ดีไม่ได เร็วไปกับความดีเร็วของลูกศิษย์อยู่ที่ความสามารถของลูกศิษย์แต่ละคนเพราะว่าอาจจะสะสมสติบารมีมาไม่เท่ากันสตินี่สำคัญที่สุดก็เวลาะจะฟังอะไรถ้าไม่มีสติใจนี่ก็จะลอยจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามีสติตั้งใจฟังมันก็จะเข้าใจเข้าใจมันก็จะจำได้พอไปสอบมันก็จะสอบได้ มีคำามาอีกไหมมีครับคำถามจากคุณ a คิดนะครับการที่เรามีสติไปรับรู้ในสิ่งที่เรากําลังคิดแล้วความคิดนั้นมันก็จางหายไปมันคือขบวนการของจิตสิ่งที่ถูกรู้คือความคิดเปลี่ยนไปเป็นผู้รู้คือสติจึงไม่ไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้ความคิดนั้นจึงจางหายไปใช่ไหมครับ จะใช่ไม่ใช่ก็ไม่สําคัญขอให้มันหยุดคิดได้ก็แล้วกันออย่าไปต้องสนใจเรื่องขบวนการเลยเดี๋ยวมันก็มานั่งคิดเรื่องขบวนการต่อมันก็ยังคิดอยู่โดยที่ไม่รู้สึกตัวเนั้นหยุดคิดทุกอย่างแม้แต่เรื่องขบวนการของมันก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้สนใจอย่างเดียวมันหยุดมัได้เปล่าหยุดคิดได้เปล่าความคิดนี้มันฉลาดนะมันจะหลอกให้เรากลำมาคิดถึงขบวนการอีกมันก็ไม่สงบสักที ให้มันหยุดคิดไม่ว่าจะหยุดมันจะคิดเรื่องอะไรหยุดมันหมดให้มันอยู่กับพุทโธคำเดียวอย่าไปคุยกับมันถ้าคุยแล้วเดี้ยมันหลอกล่ะชอบคุยกับมันด้วยใช่ไหมชอบคุยกับความคิดด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> เป็นเพื่อนกันเนี <c> ้ย <oughs> ก่อนมานี่ไม่ได้คุยกับใครก็คุยกับความคิด <c oughs> ไปทำให้นั่นดีไหมทำอย่างนี้ดีไหมอมันชวนเราล่านะ แล้วก็ไอจะดีหรือปเปล่าอย่างนูนอย่างนี้ถามตอนไปตอบกันมานมันถึงนั่งสมาธิไม่ได้สงบสักทีนั่งไปแล้วก็คุยกับตัวเองโดยมันรู้สึกตัววิภา์วิจารณ์นู่นวิภาควิจารณ์ น, น, นี่วิภาควิจารณ์การนั่งสมาธิสิคิดว่าฉลาดขบวนการนี้ทำให้หยุดขบวนการนี้แต่ขบวนการวิภาควิจารณ์มันไม่หยุด คำถามจากคุณชนณลินนะครับเวลาเครียดหรือต้องใช้ความคิดแล้วจะง่วงและหลับง่ายๆทั้งกลางวันและกลางคืนผิดปกติใหม่เจ้ า, าคัะควรแก้อย่างไรถ้าอยากจะหลับมันก็ไม่ต้องแก่บางคนเครียดแล้วนอนไม่หลับถ้าเราเครียดแล้วหลับก็ก็สบายก็ดีไปแต่ถ้าเราต้องการทำให้ใจสงบแล้วมันหลับมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ความสงบก็ต้อง ลุกขึ้นมาอย่ า, อ ย, าอย่านอนคิดนั่งนั่งนั่งสมาธิไปแล้วก็อย่าปล่อยให้มันคิดให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแทนพุโทโธพุโทโธไปอย่างนี้มันก็จะสงบได้ความเครียดก็หายไปด้วยได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งร ะ, ระดับดับความเครียดแล้วก็ได้ความได้ความสงบได้สมาธิได้สติถ้านอนแล้วก็ ปอให้มันหลับไปความเครียดหายไปแต่ไม่ได้สมาธิไม่ได้สติพอตื่นขึ้นมาอาจจะไปเครียดต่อพอกลับพอตื่นขึ้นมาไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเครียดเรวก็เครียดใหม่ได้คําถามจะคุณตัณหาขวักตัณหานะครับพระไม่สวดมนต์แต่เน้นปฏิบัติกรรมฐานผิดไหมขอรับการสวดมนต์ก็เป็นการปฏิบัตินการปฏิบัติธรรมก็เป็นการปฏิบัติ ไม่ผิดหรอกอยู่ที่ว่าจะอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับสวดมนต์ก็สวดไปถ้าอยู่ในระดับที่ไม่ต้องสวด น, นั่งสมาธิได้เลยก็นั่งไปเลยคนบางคนยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดแล้วใจมันก็จะเบาจะเย็นจะสงบแล้วค่อยมานั่งสมาธิต่อได้คำถามจากคุณสละออนะครับเวลาที่เรานอนภาวนาพุทโธ ทำไมหนูถึงนอนไม่หลับคะเหมือนจิตมันตื่นอยู่ตลอดเวลาจนหนูต้องเลิกบริกรรมคำภาวนาถึงจะหลับถ้ามันถ้ามันภาวนาบริกรรมแล้วมันไม่หลับก็ก็หยุดภาวนาไปหยุดบริกรรมไปก็เท่านั้นก็ดูตามเหตุตามผลแล้วกันถ้าเราบริกรรมแล้วมันไม่หลับก็ความจริงเรานั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องการให้ใหมันหลับเราต้องการให้มันสงบ บางคนเขาบริกรรมแล้วหลับเพราะว่าถ้าก็ไม่บริกรรมแล้วเขาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไม่หลับพอเขาบริกรรมแล้วหลับแต่ถ้าเราบริกรรมลแล้วไม่หลับเราหยุดบริกรรมแล้วหลับเราก็หยุดบริกรรมไปเท่า น, นั้นเองถ้าเราอยากจะหลับคําถามจะคุณยานินการบอกบุญต่อด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเขาไม่พอใจที่บอกบุญเราจะบาปไหมคะเออไม่บาปหรอกเป็นแต่ว่าเราต้องดูกาลเทศะ ดูว่าคนที่เราบอกนะั้นเขายินดีที่จะรับบุญหรือเปล่าถ้าเป็นพวกบุญบอกบุญไม่รับก็อย่าไปบอก <c ười> คำถามจากคุณไปวัดทาบุญเวลาทำสมาธิชอบใช้ประคำจนตอนนี้รู้สึกว่าติดแล้วอันนี้ถูกต้องไหมครับการใช้ประคำนี่มันจะทำให้สงบไม่ได้เพราะจิตยังต้องทำงานกับร่างกาย ต้องสั่งให้ร่างกายขยับมันก็สงบได้ในระดับหนึ่งคือมันก็ไม่ฟุ้งมันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เพราะจิตมันจะอยู่กับประคำแต่มันจะไม่รวมเพราะว่าจิตมันยังทำงานอยู่อยู่ยังควบคุมร่างกายอยู่ทางที่ดีอย่าไปใช้ดีกว่าถ้ามันตอนต้นถ้าใช้ก็ใช้ได้ถ้ามันยังคิดฟุ้งซ่านอยู่แล้วใช้ประคำช่วยทาให้ใจหายฟุ้งซ่านได้ ฝ่ายฟุ้งซานแล้วก็หยุดใช้ประคำแล้วก็มาพุทธโทต่อพื่อดูลมต่อไปหรือหรือภาวนาแบบที่เราใช้กับประคำเพียงแต่ไม่ต้องใช้ประคำค่ะำถามจากคุณพัฒราพรลูกรายงานผลการนำคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติค่ะตอนนี้ลูกเลิกทานกาแฟมาได้เกือบสองเดือนแล้วค่ะและการนั่งสมาธิจิตเริ่มรวมแล้ว แต่รวมได้ไม่นานรวมได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีลูกต้องนั่งให้ได้นานนานต่อไปใช่ไหมคะก็คือให้มันสามารถสงบได้ทุกครั้งที่เรานั่งแล้วสงบได้ง่ายพอนั่งปุ๊บก็สงบเลยส่วนจะนานไม่นานก็แล้วแต่ถ้านานได้ก็ดีถ้านานไม่ได้ก็นั่งให้มันบ่อยให้มันชำนาน แล้วต่อไปเราก็จะได้ใช้สมาธินี้เป็นที่ดับความทุกข์ชั่วคราวได้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์อย่างถาวรเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องพิจารณาทำเช่นร่างกายหรือสิ่งที่ทำให้ใจเรายังทุกข์อยู่พิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางให้เห็นว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราให้เห็นว่าเราจะต้องจากเขาเขาต้องจากเรา ถ้าเรายึดติดกับเขาเราก็จะทุกข์ถ้าเราปล่อยเขาเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจะคุณสามารถการเดินจงกรมสามารถเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้ไหมครับพระอาจารย์ได้แต่มันยากต้องอยู่ในกรณีที่ที่ที่ไม่ปกติเช่หนหลวงปู่ชอบนี่ท่านชอบเดินจงกรมตอางคืนนในป่า แล้วคืนหนึ่งท่านก็เดินไปเจ้าเอ๋กับเสือโคง่งเนี่ยพอเจ้าเอ๋ปั๊บนี่จิตก็รวมเข้าไปข้างในเลยเพราะท่านมีสติคอยคุมใจอยู่ไม่ตื่นเต้นตกใจพอเห็นเสือมันก็วุบเข้าไปจิตก็รวมร่างกายก็หายไปท่านบอกเทียนที่ท่านจุดไว้ในโคมไฟนี้พอท่านออกจากสมาธิมามันดับไปหมดนะไม่ทราบว่าท่านเข้าไปนานสักเท่าไหร่ แล้วท่านก็ยืนอยู่ในท่าขณะที่ท่านเข้าไปเนี่ยร่างกายก็ยืนเป็นเหมือนหุ่นขี้พึ่งอยนี้เสือมันก็เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เลยไม่มากัดนะแต่ถ้าเราวิ่งหนีมันก็มันก็ไล่ขับนแต่ถ้ายืนเฉยๆมันก็เป็นเหมือนต้นไม้มันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เลยไม่ไม่มาทำลายแต่ความตกใจของธรรมชาติของจิตเนี้ยเห็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นภัยมันก็จะมีสองทาง ถ้าไม่มีสติก็ตกใจสติแตกไปวิ่งตะลอดเปิดเปิงไปถ้ามีสติมันก็จะนึงใจคุมใจให้เข้าสู่ความสงบงั mm hmm. ้นถ้าอยากจะให้มันสงบด้วยการเดินจงกรมก็ต้องไปเดินในป่า mm hmm. วเวลาเจองูเจออะไรนี่มันก็จะพรวดเข้าไปข้างในเลย <laughs> คำถามะกุญญานิสาการสวดคาถา รีเงินผิดไหมคะเออมันจะว่าผิดก็ผิดตรงที่ว่าการสวดของเรานี่ต้องการความสงบไม่ต้องการเงินแต่ถ้าสวดเพื่อเงินมันก็เรียกว่าเป็นเป็นกิเลสเพราะยังโลภยังอยากได้เงินอยู่เราสวดเพื่อดับกิเลสฆ่ากิเลสก็แล้วแต่แต่ถ้าเราอยากจะได้เงินสวดแล้วได้เงินก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ดีกว่าไปขโมยเงินของคนอื่น คำถามจ้าคุณ powerith นะครับชีวิตที่ผูกไว้กับการวางแผนหรือเป้าหมายอย่างชัดเจนในการดําเนินชีวิตในอนาคตจึงเกิดตัญหาขึ้นภายในใจแต่หากไม่คิดหรือไม่วางแผนการใช้ชีวิตโดยปล่อยให้ใจว่างสบายใจอยู่กับปัจจุบันในชีวิตวัยทํางานควรจะมีวิธีการคิดอย่างไรดี ครับพระอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการสิ่งที่เราต้องการต้องมีการวางแผนเราก็ต้องวางแผนเช่นเราต้องการเรียนจบปริญญาเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะต้องไปเรียนหนังสือไปอะไรแต่ถ้าเราต้องการความสงบต้องการความสบายใจต้องการไม่ต้องการความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ไม่ต้องไปวางแผนอะไร แผนเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็มีแค่แก่เจ็บตายแล้วเราก็เพียงแต่ทําใจให้เรารับกับอนาคตที่เกิดขึ้นมาได้แล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบไปอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับมันก็คืออยู่แบบตามมีตามเกิดไปจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้จะเจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้จะเป็นก็ได้จะตายไม่ก็ได้ แบบนี้ก็ไม่ต้องไปวางแผนอะไรให้มันเหนื่อยยากสบายไม่ต้องเครียดเพราะบางทีวางแผนแนละ้วมันไม่เป็นไปตามแผนมันก็เครียดขึ้นมาถ้าจะวางแผนก็ต้องรู้จักปรับให้เข้ากับเหตุการณ์เวลาเราวางแผนไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลานั้นมันไม่เป็นไปเราก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่แผนนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้แผนใหม่บางทีเราอาจจะต้องวางหลายๆแผนสำรองไว้ก่อน มีทางเลือกหลายทางถ้าไปทางนี้ไม่ได้ก็อไปทางนี้ถ้าจะไปทางนั้นทางเดียวไปไม่ได้มันก็จนต่อมันจะทําอะไรต่อมันก็จะเครียดจะทุกข์ขึ้นมาคำถามจ้าคุณต้นน้ํานะครับอ่าไม่รู้ว่าเขาถามปิดไหมนะครับแต่เขาบอกว่าเล่งสาธุแล้วใจสงบแต่ทําไมไม่ใส่ครับหรือผิดที่เราติดเล่งอาจจะเป็นเล่งพุโทโธหรือเปล่าครับเล่งสาธุแล้วสงบ แล้วไม่ใสอ่ใจไม่ใส่ครับใจไม่ใส่ <c oughs> หรือที่เราติดเร่งไม่รู้ว่าเขาจะเขียนว่าเร่งพุโทโธหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน uh huh. ก็าจะใช้คําสาวุูแนทนพุทโธก็ได้ uh huh. ก็ได้เพียงใดว่ามันจะใสไม่ใส่ก็ดูไปตามวาระก็แล้วกันวาระนี้อาจจะไม่ใสแต่วาระต่อไปมันอาจจะใสก็ได้เพราะการภาวนาแต่ละครั้งนี่มันไม่ได้มาความว่าจะได้ผลเหมือนกันทุกครั้งไป บางครั้งก็ได้ผลดีกว่าครั้งก่อนบางครั้งก็สู้ครั้งที่แล้วไม่ได้ก็ทำไปเหมือนเราไปไปขับรถแท็กซี่วันนี้หาได้กี่คนวันนี้อาจจะหาได้น้อยกว่าเมื่อวานนี้ก็ได้หรือวันนี้อาจจะหาได้มากกว่าเมื่อวานก็ได้ก็หาไปเรามีหน้าที่หาก็หาไปเรามีหน้าที่ภาวนาพุทโธก็พุทโธไปมันจะสงบมากสงบน้อยก็แล้วแต่กําลังของสติของเรา ถ้าสติเราดีมันก็สงบมากใสามากถ้าสงบถ้าสติไม่ค่อยดีมันก็สงบน้อยหรือไม่สงบเลยก็ยอมรับกับผลที่มันเกิดขึ้นก็นแล้วกันอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนเมื่อวานหรื อ, รอดีกว่าเมื่อวานนี้เพราะถ้าเกิดความอยากแล้วมันไม่ได้มันก็จะเสียใจแทนที่จะให้ใจสงบกลับมาเสียใจกับการทําใจให้สงบคําถามสุดท้ายนะครับจากคุณพาดานะครับ การนำอัญมณีไปถวายวัดใส่ไว้ในยอดฉัดตอนเขายกยอดฉักทำให้ได้บุญกุศลด้านใดคะก็เป็นเหมือนกับถวายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราอยากจะบูชาพระราตนตรายพระพุทธรูปด้วยการถวายสิ่งท so, ี่ม th ีค่าและสิ่งที่มีค่าก็คือพวกเพชรนินจินดาต่างๆถ้าเป็นเรื่องธรรมเนียมนิยมก็ทาไปแต่ถ้าเป็นเรื่องเหตุผลก็ไม่ควรจะทำ ว่ามันก็เป็นที่ทำให้เกิดมิจฉาชีพได้เดี๋ยวขโมยมันก็จะมาเข้ามาขาโมย <c oughs> ได้แต่ถ้าคิดว่าทําแล้ว ม, ม, มันมีการดูแลรักษาก็ทําไปพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปฏิบัติบูบชาดีกว่าอมิสบูชาให้เราเอาเงินทองนี้มาทําบุญดีกว่าเอามาทําประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นคารวสญาติโยมดีกว่าเอาเพชรอะไรไปแขวนไว้บนยอดฉัน ม, มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเป็นภาร ะ, ะของทางว่าจะต้องติดระบบะกล้องจุลกล้อง <c oughs> อหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วะอาจารย์ครับมีใครอยากจะถามองกไหมไม่มีก็จะขอปิดประชุมนะ